จแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอกน้อมนมัตรการเพระภูมิพระภาค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 พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าภูสินอาสวะและพระอระหันตสาวกทั้งหลายก็ได้นามว่าภูสินอาสวะ จะบาลีวัคีนาสะวะที่แปลว่าภู้สิ้นอาสะวะแล้วคำว่าอาสะวะนี้ก็เป็นกิเลสชนิดที่ละเอียด ซึ่งดองจิตสำนากของสัตว์บุคคลทั้งหลายอยู่ทั่วหน้าเมื่ อ, อยังละไม่ได้ก็เรียกว่า เป็นบุตุชนอันแปลว่าคนหนาซึ่งมีความหมายว่ามีกิเลสหนานแน่นอยู่ก็ได้หมายความว่าจำนวนมากก็ได้และ บุตุชนนั่นเมื่อยังเป็นภูมิกิเลสนานนั่นมากจนถึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประกอบกรรม ที่ชั่วช้าลามกอยู่เป็นอจินก็เรียกว่าอันถาละบุตุชนคือบุตรชนคนมีกิเลสหนานั่นที่เป็นผู้โง่เขลา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 ไม่มองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังกล่าวนี้จึงนประกอบอากุศลกรรมต่างๆอยู่เป็นอจินก็เรียกว่าอันภาละหรืออันพานคำว่าพานนั้น ภาษาไทยมักจะเข้าใจกันว่าคนที่เกเรประพฤติไม่ดีหาเรื่องทะเลาะเบาแวงประทุ้สรายบุคคลอื่นอยู่เนืองๆก็มักจะเรียกกันว่าผ่านตามสับนั่น ผานแปลว่าเขาแปลว่าอ่อนแม้เด็กอ่อนที่ยังไม่รู้เรียงสาอะไรบางทีก็เรียกว่าพารักะหรือผานเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยใช้เรียกกันมักจะเรียกมุ่งเอา ถึงภูที่ควรจะรู้จากบาปบนคนโทษประโยชน์ไม่ให้ประโยชน์ได้บ้างแต่ก็ไม่รู้มีจิตใจที่เขา่า ม, มืดมิดน้อยหรือมาก คำมากก็เรียกว่าอันธภาลคือมีอันทะที่แปลว่าคนบอดคือคนตาบอดเปรียบเหมือนอย่างว่าตาบอดมองไม่เห็นอะไรแต่ในที่นี้หมายถึงใจบอดใจที่มืดม็ดไม่มีปัญญาเป็นแสงสวา่างที่จะให้มองเห็นอะไร ก็เป็นอันตรพาระบุทุชนคราวนี้เมื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังหมืด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 ไม่ได้ตามสมควรก็เป็นบุธุชนทั่วทั่วไปไม่ถึงเป็นอันธพาลดังกล่าวส่วนบุธุชนนั่นเองซึ่งได้สนับสฟัง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 จนถึงสามารถละบาปบำเพ็ญบุญหรือละความชั่วบำเพ็ความดีละอกุศลบำเพ็กุศลขึ้นได้ตามสมควรก็เป็นกัญยาณบุตุชนคือเป็นบุตุชนที่เป็นคนดีคนงาม สามารถละขุนชนละบาปละความชั่วเกิดทำความดีได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นกัญยาณผู้ทุชนที่ดีขึ้นดีขึ้นไปโดยลำดับ จนถึงปัญญานี้เองแจ่งแจ้งขึ้นประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิทำให้ได้ธรรมะจากสุขคือดวงตาเห็นธรรม จนถึงกาจัดสัญญตดคือพิเลธที่ประกอบอยู่กับก จ, จิตใจผูกจิตใจอยู่ได้บางส่วนเด็ดขาดก็เลื่อนขึ้นเป็นอริยบุคคล และภาวะเป็นบุตุชนและเมื่อละสัญญในหมดสิ้นก็เป็นอริยบุคคลชั้นสุดยอด ดังที่เรียกว่าพระอระหันต์หรืออรหันตบุคคลหรือเรียกว่าขีนาสวัภูสิ้นอาสวะเป็นภูมิหมดกิจอยู่จบธรรมจันยร์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 ก็เรียกว่าเสขะที่แปลว่าภูศึกษาหรือแปลว่านับศึกษาเมื่อละสัญต์ในหมดสิน้นก็เรียกว่าอัเสขะที่แปลว่าผูู้ไม่ต้องศึกษา รู้ว่าศึกษาจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปส่วนบุตรชนทั้งหมดจะเป็นอันธภาลบุตรชนก็ดีบุตรชนธรรมดาก็ดี กัญญาณบุญุชนก็ดีซึ่งยังละปสัโยชน์อะไรไม่ได้เรียกว่าเนวเสขานาเสขาที่แปลว่า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 จึงยังไม่ยอมเรียกบุตรชนว่าเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ละสัญญอด้วบางส่วนเด็ดขาดแล้วแต่ยังไม่หมดจึงยอมเรียกว่านักศึกษาจนถึงละในมดก็เรียกว่าศึกษาจบ ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปและตามที่กล่าวเรียกนี้จึงจับความได้ว่าจะถือว่าเป็นนักศึกษานั่น จะต้องเข้าทางแล้วการเข้าทางแล้วก็คือว่าต้องเข้ากระแสทมแล้วผู้ที่เข้ากระแสทมแล้วเรียกว่าโสตาปันละอันแปลว่าผู้ถึงกระแสทมแล้ว เข้ากระแสทำแล้วคือว่าเข้าทางแล้วไม่ออกจากทางที่ถูกต้องนั่นไปมีแต่จะเดินก้าวหน้าไปสู่ทางอันถูกต้องนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงที่สุดและที่วันศึกษานั้นโดยตรงก็คือศึกษาปฏิบัติในมัคมีองแปดย่อลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา นั่นเองที่ท่านยังไม่ยอมเลือกบุตรชนว่าเป็นนักศึกษานั้นก็บเขาว่าบางคราวก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาคือว่าเข้าทางแต่บางคราวก็ออกจากทาง คือไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาหรือปฏิบัติอยู่ในทางแห่งอกุศลทั้งหลายดังที่เรียกว่าอกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลเพราะฉะนั้น จึงไม่เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่แท้จริงก็ยังเข้าทางบ้างออกนอกทางบ้างทุกๆคนเมืพิจารณาดูที่ตนก็จะพึงเห็นได้ดังนั้นเอาก็ปฏิบัติเข้าทางของศีลของสมาธิของปัญญาบางคราวพอปฏิบัตินอกทางของศีลของสมาธิของปัญญา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 ยังละไม่ได้ไม่บางส่วนบรรดากิเลสกิหนานนั้ น, น, นที่ดองกิจสันดาลอยู่ก็เรียกว่าอาสวะที่แปลว่าดองสันดาลก็ได้ เหมือนอย่างของหมักดองทั้งหลายอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงที้แจงเอาไว้ให้ทุกๆุกคนได้ทราบว่ามีอาสวะ คือกิเลที่ดองสันดาลานี้อยู่แม้ว่าตัวเองจะไม่มองเห็นอาสวะของตัวเองก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่ามีและก็ทรงที่ไว้ว่า กิเลสที่ดองสันดานอยู่อันเป็นอย่างละเอียดนี่แบ่งได้เป็นสามคือหนึ่งกา ม, มาสะวะักิเลสดองสันดานคือกามอันได้แก่ความใคร่ ความปรารถนาสองภาวาสวะอิเลดดองสันดานคือพบอันได้แก่ความเป็นตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราอันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัตมิตมานะความสำคัญหมาย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 อาสวะจึงมีสามที่ดองสันดานของบุทุชนทุกหรือจะเรียกว่าดองสันดานของสัตวโลกทั้งปวงอยู่ จะเป็นเทวดามารพรมจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์เลี้ยลฉานจะเป็นสัตว์นรกจกเปรตอสุรกายซึ่งเป็นพวกอบัยภูมิต่างๆก็ตามที่ ย่อมมีอาศวะทั้งสามนี้ดองจิตติสังดานอยู่ในการทางนั้นและก็เรียกว่าเป็นสัตวโลกทางนั้นพราะฉะนั้นจึงเป็นบุถุชนบุถูสัตวโลกทั้งหมด พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้กาจัดอาสวะติเลด ท, ที่ดองสันดาลนี้ในสิ่งเชิงทั้งหมด จ, นนจึงได้การบอกเอาไว้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 นำมารวจตราพิจารณาดูให้รู้ว่าตนเองของแต่ละบุคคลยังมีอาสวะทั้งสามนี้ดองกิตตสัญญาณอยู่ยังมีกาม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 และที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละเสียโดยที่โดยทงสั่งสอนไว้เป็นหลักขั้นตนว่าไม่ทรงตรัสความซึ่งอาสวะ คือกิเลสที่ดองกิจสังดานแก่ภูที่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าจงัรความสิ้นอาสวะแก่ภูรู้ผู้เห็นตามที่ตรดเตินไว้เป็นหลักนี้เป็นข้อที่ ให้ผู้ฟังมีความสํานึกว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นเป็นจะปฏิบัติให้สิ้นอาสวะกิเลสที่ด อ, องจิตสันดานได้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ปฏิบัติให้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่ด อ, องจิตสันดาน ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิงต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่อจากนี้ก็เด็ดขัดขยายความออกไปว่ารู้เห็นอะไรก็ทรงเฉลยไว้ว่า คือรู้เห็นว่าอะไรควรจะมณสิการคือทาไม่ในใจหรือใส่ใจถึงอะไรไม่ควรมณสิการคือไม่ควรทำไม่ในใจไม่ควรใส่ใจถึง และก่อนเด็ดขาดชี้แจงให้แจ้งแจ้งต่อไปอีกว่าคำอย่างไรจึงจะรู้ว่าอะไรควรจะมนัสิการคือใส่ใจถึงอะไรไม่ควรมนัสิการ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 ความปรารถนาอานะวะคือพบความเป็นนั่นเป็นนี่คือความเป็นเราเป็นของเราอานะวะคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญนอกกรมนี่ขึ้นคือว่าเพิ่มกามความใคร่ความปรารถนาเพิ่มพบ ความเป็นเราเป็นของเราเพิ่อมอวิชชาคือความเขลาคอามไม่รู้เรื่องนั้นแหละสิ่งนั้นแหละไม่ควรจะมานักิการคือใส่ใจถึงแต่ว่าเรื่องอันใดสิ่งอันใดที่เมื่อมนสิการคือใส่ใจถึงแล้ว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 มากำหนดดูได้ที่ใจของตัวเองแล้วว่าใจของตัวเองนี่มีมนาติการคือใส่ใจอยู่ซึ่งเรื่องต่างๆคือรับเอาเรื่องต่างๆมาใส่ไว้ในใจมาสมไว้ในใจมากองไว้ในใจ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 บางทีเขาทำให้เกิดพบคือความเป็นเราเป็นของเราบางทีเขาทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงปกปิดสัจจะที่เป็นตัวความจริงเสียเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้รู้ว่า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 ครานี้หากเรื่องอะไรที่นำมาใส่ไว้ในใจแล้วทำให้ไม่เกิดการมคือความใค่ความปรารถนาไม่เกิดพบคือความเป็นเราเป็นของเราไม่เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจิต และทําให้อาสวะเหล่านี้ที่มีอยู่นั้นลดน้อยลงไปเรื่องนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละควรมนัสิกาศคือนำไม่ในทาไม่ในใจใส่ใจถึงทุกคนพิจารณาดูใจของตัวเองก็ย่อมจะเห็นได้ดังนี้เพราะฉะนั้น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 โดยย่อในทุกก็คือให้คิจารนาให้เห็นทุกตั้งจนแต่สภาวะทุกทกตามสภาพคือเกิดแก่ตายเป็นทุกและให้รู้จักทุกที่บังเกิดขึ้นทาง จ, จิตใจ ทั่วทั่วไปคือความโศกความแห้งใจความปฏิเทว่า ค, คร่งครวนจนจวนใจไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้งใจเป็นทุกข์รวมเข้าก็ในความประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความแพร่ภาพจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์รวมเข้ากับปรัชนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ ย่อเข้าก่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตคัดพิจารณาให้รู้จักทุกตามที่ทรงสั่งสอนเอาไว้นี้นี่แหละและให้รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือให้รู้จักปัญหาความลิ่นรนพยายมอยากของใจ เป็นกรรมตัณหาบ้างภาะวะตัณหาบ้างวิภูวตัณหาบ้างคือดิ้นรนไปเพื่อจะได้ก็เป็นกรรมดิ้นรนไปเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภพดิ้นรนไปเพื่อจะทําลายสิ่งที่ขัดขวางการมขัดขวางภพต้องตอนเรเป็นวิภูวเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็หัดพิจารณาให้รู้จัก ปัญหาที่ใจของตัวเองนี่แหละมันหนีเป็นตัวสมุทยัยจนดับปัญหาจะได้ทุกก็จะดับไปก็เป็นนีโรดความดับทุกข์และให้รู้จักท้าปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมักในองแตกย่อเขาก็าเป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาขัดปฏิบัติให้เป็นศีนเป็นสมาธเาิเป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ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 ยึดถืออยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นสุขติดอยู่ในตัณหาจึงเป็นอันว่าติดอยู่ในทุกข์และปฏิบัตินอกทางของศีล ส, สมาธิปัญญาของพระมิองแปดเป็นทางอกุรสกรรมมรดกต่าง เป็นทางของกิเลสต่างๆนั่นไม่ควรจะใส่ไว้ในใจแต่ว่านำเอาทัศนะคือปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้งสีนี้มาใส่ไว้ในใจก็เป็นอันว่าได้นำเอาศีลสมาธิปัญญาหรือมักคปองแปกมาใส่ไว้ในใจนำเอาความดับทุกมาใส่ไว้ในใจใจก็ค้นทุกได้แม้ในขณะที่ปฏิบัติ แม้ว่าจะยังเป็นการทำได้ทุกครั้งทุกคราวก็ตามก็ยังเป็นอันว่าได้หัดให้พบกับความดับทุกได้ต่อไปนี้ก็ขอให้จั้งใจ